เข้าใจไหมเนี่ยอือเดียวเดี๋ยวอับปุติอับปุติจะจัดปุ้ยจะจัดก็คือคือคือแค่แค่รับรู้ในสิ่งที่ผ่านเข้ามาค่ะไม่ว่า อญญาจารณาต่างๆค่ะด้านต่างๆให้รวยเฉยไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องวางไม่ต้องอะไรซิ่งเหมือนกับเรามองรถวิ่งผ่านหน้าบ้านก็ผ่านไปแล้วก็เห็นคันใหม่มาก็เห็นแน่เพระาะอย่างนั้นแน่ค่ะอืมชีวิตอยู่ไปอยู่ก็อย่างนี้แนะ่ตัวเนี้ยมันประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจแต่ประตูใจเนี่ยมันเกิดบ่อยมันเกิดที เขาเลยบอกว่าให้สํารวมท่าห้าประตูตาหูจมูกริ้นกายห้าประตูสํารวมคืออย่าเขาว่าสารวมหมายถึงว่าชิตประจําวันเนี่ยอย่าเอาตาไปสอดใส่เอาหูไปฟังเสียงอะไรก็ตามที่มันเพลิดเพลินเจริญใจแล้วมันก็จะไม่ได้รู้ที่ประตูใจไอห้าประตูเนี่ยหมายถึงว่าเราก็หมกมุ่นแต่เรื่องดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ย มันก็เพลยแล้วเราก็ลืมรู้ที่ประตูใจมันมีต้องหกประตูเนี่ยมันก็เลยไปรู้แค่ประตูเดียวกับหูประตูตากับประตูหูดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไล่อยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนหมกมุ่นกับการกินการเที่ยวการเพลิดเพลินจเจริญใจยุ่งวุ่นวายแต่อะไรดูลูกสามีแล้วก็ลืมรูมม้ประตูใจเลยเนี่ย ยุ่งวุ่นวายเนี่ยผู้ชายก็ยุ่งวุ่นวายในครอบครัวผู้หญิงก็ยุ่งวุ่นวายผู้ชายก็สนใจก็ไปเที่ยวไปสังสรรค์เฮฮาภายนอกผู้หญิงก็ยุ่งวุ่นวายกับสามีแล้ะลูกไม่มีอะประตูใจไม่ได้รู้หรอกมันมีแต่ยุ่งวุ่นวายแต่ประตูตากับประตูหูนี่แหละวุ่นวายยุ่งยุ่งอยู่แต่ครอบครัวมันก็เลยประตูใจมันเลยไม่รู้เลยมันเลยตรงกันข้ามเขาบอกว่าให้ให้สํารวมไว้ซะ เน trend, hazard, yo, e, <sol>, ja. ี่ยให้สัมรณ์ไว้ห้าประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายเปิดประตูใจไว้ร้อยปอร์็ประตูเดียวแล้วก็รู้มันอยู่ที่ประตูใจแล้วรู้แบบว่ารู้ประตูใจเหมือนกับตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยรู้ประตูใจแบบตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยรู้ธรรมอารมณ์เนี่ยรู้ธรรมอารมณ์ที่ประตูใจแบบเดียวกับตาเห็นรูปหูฟังเสียงรู้เนี่ยมันจะไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวไม่ปรากฏกริยาการใดๆเลยมันได้แต่เห็นรูปแล้วก็ได้ยินเสียงแต่ไม่ปรากฏผู้รู้ แล้วก็มีประตูใจก็มีความรู้สึกนึกคิดอ federal, ราอรามณ์ขึ้นมาก็เป็นรูปที่ผ่านเข้ามาเป็นเสียงที่ผ่านเข้ามาทังใจเปลี่ยนเป็นมีรูปที่ผ่านเข้ามาทางใจมีเสียงก็ผ่านเขามาทงใจก็ได้แต่รู้แต่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้แต่ที่บอกว่าถนอมเนี่ยก็ทําผิดคือแทนที่จะรู้เสียงรู้รูปรู้ความรู้สึกนึกคิดที่ผ่านมาเหมือนกับรู้รูปรู้เสียงแทนที่จะรู้เนี่ยความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นในทุกขณะไปดเหมือนกับ รู้รูปรู้เสียงแต่ถ้าหนอมเนี่ยไปนั่งคิดมันก็เลยไม่เป็นผู้รู้แล้วไปนั่งคิดเอาคิดเอาไปนั่งคิดไปประมวลผลพยายามทำความเข้าใจไปนั่งคิดไ ง, งนี่ไอ้อความจริงความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนาภายนอกเหมือนกับรูปกับเสียงที่ผ่านมาก็ได้แต่รู้แต่พอเราไปนั่งคิดซะแล้วมันก็เลยไม่เป็นรู้แล้วแต่เนี่ย เราไปคิดเหตุผลไข่ควรทําไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าวะเราจะต้องเป็นยังไงทําไมอย่างงว้นอย่างนี้ทําไมมันเป็นเรื่องรู้ทไมวันเมื่อวานมันเข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจมันเป็นยังไงอุ้ยนั่งคิดอย่างเงี้ยเริ่มจะเปรู้อะไรมันนั่งคิดอย่างเงี้ยแล้ก็กลายไปเป็นไอ้อะไรนะไปเป็นไอ้อายาธนาภายนอกไปแล้วไปเป็นทําำอารมณ์เป็นอายตนาภายนอกไปแล้วมันไม่เป็นรู้รู้มันก็ว่าเออมีอะไรมีความคิดมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจก็ไม่่่่ททุุกกกไไมมมีีเเอะรรรควาาแตน เอาตัวเราไปนั่งคิดเสแล้วมาเลยการไปเป็นธรรมอารมณ์ซะเองแล้เข้าใจไหมเนี่ยหึหมกบุญคิดอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวถนอมโอ๊ยอนี่ไม่ฟังแล้วในี่หมกบุ่นอยู่ไหนแล้วเนี่ยฟังอยู่แล้วอันนี้มันเราเห็นแล้นั่งหมกบุ่งุนงุนงุนงุนงุน เดี๋ยวไอไ อ, อาการความคิดอ า, มมารมณ์มรู้สึกที่หมกมุ่นเนี่ยมันเป็นธรรมารมณ์แล้วก็รู้นี่รู้ว่าเนี่ยมันมีธรรมอารมณ์เกิดขึ้นในใจแต่นี้เราไปหมก ม, มุ่นคิดมันเป็นธรรมอารมณ์ซะเองแล้วมันจะไปมันไม่เป็นรู้มันทิ้งสภาพรู้ไปเป็นคิดแตแล้วมันทิ้งสภาพรู้ไปเป็นคิดรู้อะไรมันไม่เป็นรู้เลยตอนนี้ไม่ไม่เหลือรู้เลยไปคิดเอาคิดเอาคิดเอาคืออันนี้ยเขาเรียกว่าไปคิดจะให้รู้มันคนละเรื่องกันอย่างเนี้ยคือพยายามคิดให้มันรู้ให้ได้ให้มันเข้าใจให้ได้ คิดยังไงมันก็ได้แต่เข้าใจมันไม่เป็นรู้คือคิดยังไงมันก็ได้แต่เข้าใจมันไม่เป็นรู้แต่รู้เนี่ยคือมันก็มารู้อะรเนี้ยรู้ความคิดนี่แน่รู้ความคิดเพราะว่าไอ้ความคิดความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกเวลารู้เนี่ยมันก็รู้อายตนะภายนอกนี่แน่เวลารู้รูปมันก็เป็นรูปอายต์รูปเป็นอายตนะภายนอกรู้ก็รู้รูปเวลาเสียงเสียงเป็นยาภายนอกรู้ก็รู้เสียง ความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกเวลารู้มมัรู้แต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นเนี่ยแต่รู้มันไม่ปรากฏตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนไม่เปิดเผยตัวหรอกไม่มีตัวตนมันไม่มีแต่พอเราไปเป็นธรรมอารมณ์ตัเองเราไปเป็นคนคิดเพื่อจะให้มันเข้าใจคิดยังไงมันก็ได้แต่เข้าใจมันไม่มันไม่มีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสถานะมาเป็นรู้ได้หรอกมันได้แต่เข้าใจคิดยังไงก็ได้แต่เข้าใจแต่มันไม่เป็นรู้ คือรู้มันก็รู้ทำอารมณ์ที่กาลังคิดเนี่ยแน่ความรู้สึกมนคิดรู้มันก็ได้แต่รู้ทำอารมณ์ที่กําลังคิดแต่ถ้าเราไพยายามคิดถึงยังไงมันก็ได้แค่ความเข้าใจไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันเป็นธรรมอารมณ์แม้แต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นธรรมอารมณ์งงๆวจะนี้งงๆอาการงงๆก็เป็นธรรมอารมณ์อาการเข้าใจเอออาการเข้าใจก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนาภายนอกตอนนี้ฟังไม่เข้าใจเมื่อวานเข้าใจวันนี้ทํำไมถึงไม่เข้าใจ ไอ้ไอ้นี้บ่นบนงงิงงูงวันนี้ทําไมไม่เข้าใจอันนี้ก็ไปทําอารมณ์แต่ไม่ต้องการความเข้าใจแต่ต้องการให้รู้ไหมว่าเนี่ยรู้ทำอารมณ์ที่กาลังเกิดขึ้นบ่นงูงิงว่าวันนี้ทํำไมจึงไม่เข้าใจเวันเมื่อวานก็เข้าใจอยู่ดีๆไอ้ที่มันบ่นงูงิงงูงิงงเนี้ยต่อให้มันไม่เข้าใจอะแต่ไอ้ความไม่เข้าใจมันก็เป็นรำอารมณ์แต่ไอ้ที่มารู้สิมารู้ ต้องการให้รู้ทำอารมณ์เนี่ยเนี่ยให้เป็นรู้โดยที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้มันถึงจะไม่มีกิเลสและความทุกข์แต่ถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจแล้วเราจะเค้นให้มันเข้าใจได้อันนี้ยทุกเลยมีความทุกข์ความเครียดมากเลยโอราะเราจะเข็นให้มันเข้าใจยังไงมันก็ได้แต่เข้าใจมันไม่เป็นรู้หรอกที่หลวงปู่ดูลาตุโลว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้พยายามคิดให้ตายอะ ทำความใจคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยคิดก็อะไร <laughs> ก็ใส่คิดแต่เป็นเครื่องรู้ก็รู้อะไรก็คิดความคิดเป็นธรรมรมแล้วรู้อะไรมารู้คิดนั่นแหละมันพลิกกลับด้านนิดเดียวจะคิดมาเป็นรู้